เปรียบเหมือนเกวียนเก่าคร่ำคร่าเมื่อเขาพยายามเพื่อจะยืนหรือจะเดินหรือจะนั่งทุกขทางกายก็ย่อมรุนแรงเมื่อบุตรและภริย า, ยามไม่ค่อยสนใจเหมือนแต่ก่อนก็เกิดโทมนั์เพิง่งทราบว่าชาราเป็นทุกข์โดยความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสองด้วยประการชนีคือพอแก่สุขภาพมันก็เริ่มเสียไปใช่ไหคนก็ไม่ค่อยสนใจอ่ะนะพอเรียกว่าคนอื่นสนความความสนใจที่คนอื่นมีต่อตนลดลงก็โทมนต เมื่อวานมาพระรูปหนึ่งท่านท่านต้องนั่งรถเข็นนะเนี่ยโปรกกับเพลกเต็มทีแล้วแล้วก็คือคือดูท่านหงุดหงิดง่ายดูเหมือนก็ว่าเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลาขนาดอายุมากแล้วเราเห็นนะสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆมัน ยิ่งคนอายุมากถ้ายิ่งเคยตัวเองยิ่งคิดว่าตัวเองเป็นเคยคิดว่าตัวมีอำนาจมาก่อนนะมันก็จะยิ่งเรียกร้องความสนใจมาทำไมคนนั้นใหม่มาทำไมคนนี้ใหม่มาคนอื่นทำอะไรไม่ถูกใจก็เกรี้ยกราดขึ้นอะไรขึ้นดุมากขึ้นหงุดหงิดง่ายโทสะก็เป็นบ่อยเพราะว่าทุกขากายวิญญาณมันใกล้ต่อโทสะใช่ไหม ยิ่งบางคนเนี่ยก็บอกขี้น้อยใจยมากเลยนะโดยเฉพาะลูกหลานไม่ไมาเยี่ยมบ้างก็น้อยใจยลูกหลานเขาไม่สนใจก็น้อยใจยก็กลายเป็นว่าเป็นคนเป็นโรคน้อยใจเนี่ยเข้ามาแทนจะว่ากโกรธเขาก็ไม่โกรธแต่มันน้อยใจตัวเองเหลือเกินเนี่ยนะก็น้อยไปมากๆแลใจเหลือนิดเดียวเลยกันนี้ มันอย่าไปต้องเจริญกรรมฐานเอาไว้เถอะเพราะลูกหลานเขาก็รักษาเรานะหนึ่งนะเขาให้อาหารเราสมมุติว่าถ้าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเขาให้อาหารเรากินเขาให้ยาเราตามเวลาที่เหลือเขาก็ไปทําตามเรื่องตามเราของเขาอันนะัที่เหลือเนี่ยเราจะต้องรักษาใจเราเองมันเจริญกรรมฐานเอาไว้ให้มากๆเถอะตอนนั้นจะได้ไม่ลําบากถ้านั่งอยู่กับรถเข็นทั้งวันเนี่ยนะใครเขาจะขยันเข็นเราไปไหนต่อไหนนะักเนี่ย ไปห้องน้ำที่ไหนไปลุกเข้าห้องน้ำที่ไหนอะไรยังไงมันลำบากมากเลยนะถ้าสุขภาพแย่ไปแล้วมันก็ตอนนี้ที่มันพอที่จะเจริญกุศลอะไรได้ก็เรียบขวนขวายเจริญเอาไว้เธอเนะี่ยพระเจดีย์ที่ไหนยังไม่ไปกราบไปไหว้ก็ไปกราบไปไหว้มาให้เสร็จถเถอะเนี่ยนะตอนหลังมันจะได้ไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ของมาก็จะไปไหว้เจดีย์ละ <c oughs> วันนี้ว่าจะไปรถมันเต็มเยอติ แล้วก็พยายามเจริญกุศลใดที่เจริญได้พิจารณาได้ก็ทําทําไปเถอะ <c oughs> คนอายุมากๆเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะ <c oughs> เขาเป็นคนขี่น้อยใจจริงๆเนี่ยเป็นขี้น้อยใจถ้ามีใครมาเอาอกเอาใจหน่อยก็โอ้ยพูดถึงเขาอยู่นั่นแหละถ้ามีใครยิ่งเขาเอาใจมากด้วยก็ยิ่งโอ้ยคิดถึงเขาจําได้รู้จักยายคนหนึ่งชื่อยายพุทธยายพุทอายุร่วมแปดสิบแล้วตอนนี้ นี่เราก็ไปใช่ไหมแล้ก็ไปอยู่บ้านเข้าบ้านใกล้วัดเวลาเราไปเราก็แสดงธรรมให้ฟังก็ฟังธรรมอยู่สักสามสี่เดือนเราไม่อยู่แกร้องให้นะแกก็ร้องให้บอกเมื่อไหร่จะไปอีกเมื่อไหร่จะไปอีกเราก็หายแซบเลยตั้งแต่นั้นก็ยังไม่เคยโผลไปตรงนั้นอีกเลยอนะนนั้นที่อุบลอีกที่หนึ่งที่ยะโส น, นั้นยายต่วนช่วยยายต่วนนั่งฟังธรรม วันที่เราจะมากมันมนั่งร้องให้อยู่นั่นแหละคนนู้นก็จะไปคนนี้ก็จะไปยายก็เลยปล่อยโฮเลยนะนีตั้งกต่วันนั้นมาก็ไม่เคยไปอีกเลยนะนีตั้งกระยายปล่อยโฮเนี่ยนะไม่เคยไปก็นึกว่าเราจะไปอยู่เทศให้แกฟังตลอดไปมั้งก็เธอพอพอพออยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีใครมาพูด <c oughs> มาคุยด้วย มาฟังทมหน่อยก็จิตมันก็ได้คิดธรรมะขึ้นอะไรขึ้นจิตใจมันก็เกิดขึ้นจิตแต่ชรูปมันก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นนี้ตอนหลังก็ไม่ได้ฟังอีกแล้วก็โทรมานัดมากขึ้นก็น่าเห็นใจจริงจริงนะแต่เราก็ต้องกรุณาเราด้วยเหมือนกัน อันนึ่งสัตว์ใดย่อมถึงทุกใดทั้งกายและใจเพราะความที่อวัยวะหย่อนยานเพราะความพิการแห่งอินทรีย์เนี่ยนะตาก็ซุดลงเสื่อมลงหูก็เสื่อมลงจมูกก็เสื่อมลงฟันก็หล่อหมดเนี่ยนะผิวหนังก็เหี่ยวย่นสุขภาพหัวใจก็มันก็เต้นไม่ค่อยสม่ําเสม อ, สมอนะเดี๋ยวมันก็เต้นเต้นเอ๊ะทำท่าเหมือนจะหยุดเต้นอีกแล้วอย่างงี้ยนะนั่งใกล้ๆเนี่ยข้างหน้าสองคนเนี่ยก็เหมือนๆกันนั่นแหละเนี่ยนะ โรคเดียวกันอยู่ๆเออนึกมันเกิดนึกไม่เต้นขึ้นมาแล้วทําไงอ่ะนะปั๊มหน้าอกเอาอ่ะนะให้หลานมาช่วยปั๊มเลยนะจะได้มีเรียวมีแรงขึ้นอันนี้แหละมันอินทรีย์แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เริ่มพินาศความพินาศแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนะไม่ใช่นุ่นนะความเป็นนุ่นเป็นสาวปวดใจด้วยแก้ๆหน่อยนะแล้วก็ความเป็นนุ่นลำบากไหมเอ้ะผ่านตาไปได้ยังไง นะความพินาศแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะถูก เ, เพราะกำลังเนี่ยถูกบันทอนเพราะปราศจากคุณมีสติเป็นต้นสติก็หลงลงลืมลืมใช่ไหมจำอะไรก็ไม่ค่อยได้คือจำได้แต่เรื่องเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเนี่ยนี่จำได้เกือบหมดนะนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเ ป, เป็นเรื่องเป็นราจจำไม่ค่อยได้จำได้คนโน้นมือนว่าเราไปทะเลาะกับคนโน้นมาเนี่ยนะ ไอคนโนไม่เห็นมาดูเลยเราเนี่ยเรื่องไม่ควรจําเนี่ยมันจําได้หมดมันเลอะลือกได้หมดอะ่ะแต่ว่าครับธรรมะบางส่วนนี่ก็หลงลืมไปหมดคุณแม่อาจารย์แดงเคยสวดมนต์เก่งมากเลยใช่ไหมตอนหลังนี่ยเป็นไงตอนหลังไม่ได้สวดเลยเนาะอืก็หลงลืมไปหมดเห็นไหมดีแล้วจำอาจารย์แดงหน้าก็ดีอ๋อจําไม่ได้อยู่เหมือนกันนะลูกก็ยังจําไม่ได้เลยนะอืม ลูกก็จำไม่ได้จารเกตก็ไปถามว่าไงนะจำได้หรือเปล่าก็บอกเด็กเด็กข้างบ้านมาเที่ยวด้วยนะก็นึกว่าจะรู้กันเขานั้นลืมไปหมดเลยนะหลงลืมเลยนะเพราะว่าสุขภาพเอ่อโดยเฉพาะสมองมันก็มันฟอใช่ไหมสมองฟอร์ ของเราดูนะว่าเราต่อไปนี่เราจะจําอะไรได้บ้างอะนะแล้วก็สังสมอัธยาสัยให้จิตเป็นไปกับคําสอนให้มากมากนะมันจําอะไรไม่ได้ก็จําพุทโธก็ได้ก็ยังดี <c oughs> จํำนะโมตาสะได้ก็ยังดีนะก็ให้มันได้สักอย่างเอาไว้เถอะคิดดูนะว่าถ้าตอนที่เราเนึกอะไรไม่ออกเราจะระลึกถึงอะไรได้บ้างอันนี้ก็ฝึกๆไว้นะย้ำนงเอาอะไรไว้ดีเนี่ยให้มันประทับใจที่สุดบทใดบทหนึ่งนี่แหละบทนี่แหละจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้นะ อันนั้ต้องต้องค้นหาให้พบนะแม่คูหายเจ อ, อยังอืมถ้าถ้าจมูกมันตีบทําไงหายใจไม่ค่อยออกพิจารณาไงอ๋อร่างกายด้วยนะก็ก็ดีแล้วแต่ทีนี้ก็สังเกตดูนะว่าตอนเป็นหวัดแล้วมันเอ๊ะทาไมหายใจทําไมมันไม่ค่อยคล่องกําหนดไม่ค่อยดีก็ ฝึกกรรมฐานอื่นๆประกอบเอาไว้ด้วยนื <_ d> um> คือถ้าร่างกายมีปัญหานะความทุกข์ทางกายก็เกิดขึ้นบุตรภรยาของตนไม่เลื่อมใสไม่เลื่อมใสใช่ก็ถึงความเป็นคนพาถึงความเป็นคนพาลอย่างยิ่งคำว่าพาละแปลว่าเขาคือถึงความโง่ความเขาความหลงงมงายเนี่ยนะ <_ d> um> คือพอตัวเองเนี่ยคนอื่นก็ไม่ค่อยสนใจนะจะให้เขามาสนใจมากๆก็ไม่ไม่เท่าไหร่ ถ้ายิ่งเป็นคนแก่ที่ความประพฤติตอนที่มีกําลังไม่ดีไว้ด้วยนะเกลี้ยกลาดดุด่ดาลูกหลานเอาไว้เต้มไปหมดเลยก็แก่มากเข้าเขาก็ได้ช่องแล้วคันเนี้นะเขาก็ซัดเอาคืนบ้างานะพ่อแม่บางคนเนี่ยนะถูกตะอคอกอยู่ตลอดเวลานะถูกตะอคอกบ่อยมากานะลูกหลานเนี่ยตะอคอกมันก็จับจําทนอย่างเดียวอะ่ะ ถ้าเป็นบางภาคนะอัน น, นี้เราพูดสังคมอันนะี้อีกมีสังคมหนึ่งต้องเลี้ยงหลานนี่ต้องเลี้ยงหลานด้วยนะตัวเองก็แก่ด้วยหลานมันก็ซนท่นก็เต้นแรงเต้นกาทั้งวันอ่ะนะกลับลูกไปทํางานทั้งวันกลับมาก็ลูกตะอคอกใส่อีกเนี่ยนะนะเลี้ยงหลานก็เหนื่อยทั้งวันอยู่แล้วก็ลูกตะอคอกให้อีกเอ อ, เ, อ, อเดือดร้อนโน่นอุ้ยข้างหลังก็เหมือนกันเลยเขาก็บอกโอ้ยเลี้ยงหลานอยู่สองตื่นแต่ดึกขับข้าวกับปลาให้หลานจะได้ไปเรียนหนังสือ ก็เลยบอกว่าอุโบสถก็รักษาไม่ดีบอกมาอยู่นี I mean, oh. ่เพ okay. ื่อจะรักษาอุโบสถได้บ้างอยางนั้นบางทำก็ไม่ค่อยดีดีเพราะไอ้ลูกเคยมันก็เปิดเพลงดังสนั่นไปหมดนะนผมเคยเห็นตัวอย่างเนี่ยที่ที่ลูกเนี่ยนะฮะดูพ่อแม่นะดูแม่นะฮะแม่แก่มากเลยนะแก่ขนาดรีกมันนั่งเกาะเขายันหูอย่างเนี้ยฮะแก่มากกผมว่าถ้าจะเกือบร้อยนะ แล้วก็คนแก่มากๆก็หลงๆลงลืมๆืมแล้วอะไรก็เลอะเอะเอนะแล้วตัวเองแกก็ข้อเข้าไปแปดสิบเหมือนกันอันเนียนะนะ7ะเจ็สิบแปดสิบเนะโอ้แกดูแกะอะไรตลอดแกโอ้โหแกดูเหมือนกับเด็กๆเลยครับแล้วบางทีถึงกับลงไม้ลงมือเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่ได้ยินมาได้เห็นมาเลยนะอยู่ข้างไกลๆบ้านพี่สาวนี่นี่ก็ น่าน่าการุณามากๆเลยนะว่าชราเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆะนะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นะเนีเ่ยพอคนที่อายุมากๆก็เริ่มตัวเองอ่อน้อยอกน้อยใจใช่ไหมร่างกายก็ไม่ค่อยดีสุขภาพก็ไม่คอ่อยดีอยู่โรงพยาบาลเลยนะไม่มีใครมาเยี่ยมเลยนะมีแต่ห้องสี่เหลี่ยมก็ดูมีแต่ฝานานๆจะมีใครมาสักคนหนึ่งพยาบาลมาถามว่าเนี่ยนะ ก็มีอยู่นิดๆห น, น่อยๆนั้นน่าเห็นใจกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ของเราทั้งหลายก็เดินไปสู่จุดนั้นกันเกือบทุกค น, น, น, น, นเวนไว้แต่อุบัติเหตุตายซะก่อนเนี่ยนะแต่ทําไม่อย่างนั้นก็เวียนไปเพื่อความเป็นคนหลงงมงายเนี่ยก็บอกถึงความเป็นพานอย่างยิง่งก็คือถึงความหลงงะงะอะไรก็ไม่ได้จะยกมือซ้ายไพร่ไปมือขวา ม, มันก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังแล้วเนี่ยนะลำบากมากนะบางทีก็นอนก็พลิกตัวไม่ได้เลยนะ การเคยไม่พลิกตัวไม่ได้เลยเนะี่นยคือคนที่มีอายุนี่นะอที่ที่ที่เป็นโรคเช่นความดันนี้นะฮะ อ, อันนี้เป็นของธรรมดาเลยนะแล้วก็โรคกระดูกงอกกระลูกต้นคอ ง, งอกบ้างที่ตหลังนี่นะที่มันเอวนี่นะโอ้โหนเวลาเวลาเขาไปจริงๆก็ดูกระดิกตัวแทบไม่ได้เลยนะครับ ทัดเดียวนะเป็นนะฮะเป็นเรียกว่าถ้าวันนี้ยังดีๆอยู่นะพรุ่งนี้เป็นแล้วครับพรุ่งนี้เดินไม่ได้ก็มีครับโอ้แปลกจริงๆครับแป๊บเดียวเลยนะว่าพรุ่งนี้เดินไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้เดียวพรุ่งนี้ขยโอกขยเยกมากกูเนยกระโผลก็แเพลกได้ได้ทันทีเลยนะพรุ่งนี้เหลียวไม่ได้เนี่ยครับไม่มีอะไรบอกเลยไม่มีอะไรเตือนเลยนะว่าไม่ได้เลยเวลากระดูกงอกเลย มันเรื่องชรานะเรื่องความแก่เนี่ยใครคิดไหมว่าเอาเรื่องความแก่มาคิดมากๆเนี่ยอันนี้เป็นทางแห่งความพทุกข์นะ น, นีาน่าจะเอามาคิดได้นะซึ่งโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มีให้เห็นๆกันอยู่ใครบ้างที่ไม่แก่ก็ทุกคนมันเดินไปสู่ความแก่เราทั้งหลายความแก่มันก็ปรากฏยังนึกขำเลยครั้งหนึ่งเลบอกเออเนี่ยนะ ถ, ถ้าดูเห็นผมหงอกผมนะผมจะให้เลยเส้นละสิบบาท หมดไปเป็นร้อยเหมือนกันนั่นมันก็ให้เห็นว่าเออมันก็เปลี่ยนนะนะชรามันก็เป็นไปอย่างนี้อยู่เป็นกิกว่าในโลกที่เห็นเห็นกันอยู่ซึ่งเราเอามาเจริญได้เลยก็อย่าลืมนะว่าพูดได้รู้ชรามากๆเลยชราไปเรียกว่ามรณะก่อนที่จะมาชราก็คือชาตินชาติชรามรณะนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลำบากเนาะเป็นไปกับชาติชราและมรณะ ถึงกระนั้นก็ไม่รู้ทำเป็นที่พ้นจากชาตชาติชราและมรณะเมื่อไรเนาะที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะสภาพที่สงบประงับชาราและมรณะจาก <c oughs> จากปรากฏได้เอาโจทย์เนี่ยมาตั้งนะโอ้ทุกคนเนี่ยลำบากไปกับชาราและมรณะมีชาติเป็นปัจจัยทําอย่างไรธรรมะที่สงบประงับดับชาราและมรณะเนี่ยจะมีขึ้น คนอย่างไรหนออมตะทิศอยู่ทิศไหนหนออยู่ตรงไหนเ น, นี่ยนะลองค้นหาลองตรึกดูนะตอนที่ไม่ได้อ่านธรรมะเนี่ยลองมาคิดดูใคร่ครวญดูพิจารณาดูเนี่ยนะจริงจกกรรังจะสอนมีเวลาไหมก็ได้กายวิเวก น, นะน่าจะไปเจริญได้เยอะแล้วเนะาะทํทาไง แล้วทำไงกันนี่ก็เลยเอาไอเนี่ค่ะไอ้60นะคะอืมจากโคจากโคสมูทัยไล่ไปเรื่อยเลยนะเป็นยารูปสาตรูปอ่ะนะ วิญญาณตัดหาอืมก็อืมใช่เน็คใช่ก็พยายามถ้าถ้าสาธยายในส่วนนี้นะถ้าสาธยายได้ดีแล้วเนียคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะก็สาธยายไปแล้วก็นึกถึงนึกถึงภายในอยู่ด้วยนะสาธยายด้วยนึกถึงด้วย แล้วก็ถ้าสาธยายได้ทั้ง60นั้นดีชัดเจนเ น, นะนะไม่ไม่หลงละที <S <S น, นี้ถ้าไม่หลงนี่ก็สิ่งที่ควรสาธยายเพิ่มก็คือเนี่ยจากโคจากโคสมูไทยจากโคนิโรจากโคนิโรท่าคาไมินีปฏิปทาโสตโสตสมูไทยโสตนิโรโสตนิโรท่าคามินีปฏิปฏาท า, า, า, ปปาผู้การสาธยายแล้วเมื่อวานเนี่ยว่าเล่าให้ทางนี้ฟังบ้างผู้การเข้าไปสาธยายมาเมื่อวาน ก็เมื่อวานนี้ก็ตอนท้ายๆชั่วโมงก็พระอาจารย์ให้พวกพวกนั้นนะครับพวกที่ทิงเทพฮะสาธยายอภินญญยานิเทศนะก็เราเราก็มีแลทุกคนนะฮะก็สาธยายอยู่นานครับสาธยายอยู่ต้องถ้าจะครึ่งชั่วโมงได้นะยังไม่จบเลยครับนะก็เลยต้องต้องหยุดซะก่อนนะฮะก็ ก็เป็นสิ่งที่น่าสาทยายแล้วก็ไม่สู้จะยากนะักถ้าเราจํ <60 S 1> จพโคร<อ>งสร้างของ60สบไว้ให้ได้นะครับในฉัคฉะศูนย์เนี่ยว่ า, าตั้งแต่อารมหกนะอายตนะภายนอกหแล้วก็ม า, าที่เกิดของวิญญาณอีก6ได้แก่วัตถุหแล้วก็มาวิญญาณหนะฮะนี่ก็ไปสาที่หแล้วกสิแดแล้วส8แล้วก็มาผัสสะอีกห เมตนาอีกหกแล้วก็มาสัญญาอีกหกมามาเจตนาอีกหกปิตกหกวิจารหกกันหาหกเท่าไหร่สิบสิบหกสิบแล้วดังนัหกสิบเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะหมายความว่าในปิญญาญะที่เทีเนี่ยนะซึทีมาจากปฏิัมปธรรมมรรเนี่ยเป็นธรรมที่ ควรรู้ยิ่งคือมาทำยาตะปริญญานี่นะครับ เ, เช่นสมมุติว่ารูปนะฮะรูปต้องไล่ไปเลยว่ารูปควรกําหนดรู้นี่นะฮะรูปส ม, มุไทยนะฮควรละนะรูปนิโรธควรทําให้แจ้งนี่นะไล่ไปเรื่อยเลยแล้วก็รูปนิโรธาคามณีปฏิปทาควรเจริญ นะาเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะ<ม>ก็ไล่ไปทั้ง60เลยนะไ<ม>ล่ไปทีละหนึ่งสาีไปถึง60เลยเนะี่ยะก็ถ้าถ้าแบ่งเป็น3มระยะอย่างนี้ก็ได้นะ<ม>ก็ไปฝึกสาธยายนะคุณภ า, าลองไปสาธยายดู <c oughs> อ่อแรกก็เนี่ยนะถ้าเอาแบบชักกระสูตรก่อนก็ได้ใช่ไหมอาศัยจากโคกับรูปเกิดจากโค วิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาอันนี้แล้วก็โคใ ห, ให้ทั้ง6กทวารนันะกทวารก่อนอันนี้รอบที่หนึ่งพอรอบที่สองนี่ก็ว่าจากโคน่นะจากโคสมุทัยันะ จักขุนิโรธจักขุนิโรทะขามินีปฏิปทาก็ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไล่ยอย่างนี้ไปถ้าเราไม่เอาหกสิบนะเราเอาสามสิบก็พอก็ได้อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณหกภาษาหเวทนาหกก็ได้ทานเนี่ยนะลดเหลือครึ่งก็ได้ เสรแล้วพอได้อย่างนี้นะรอบที่ส <c oughs> จากขู่ควรกําหนดรู้ใส่คําว่าใส่กิจลงไปจากขู่ควรกําหนดรู้หรืออาจจะถ้าเป็นบาลีก็ได้ว่าจากขูควรทําปริญญาจากขู่สมุทยัยควรปะหารนะจากขู่นิโรธควรทําให้แจ้งหรือสัจจิกิริยาจากขู่นิโรธาคามินีปฏิปทาควรเจริญ ือควรภาวนานีนะก็มาสาธยายนะ30ิเนี่ยใครที่สวดมนต์ไม่เก่งนะจะสวดได้เยอะเลยคืออย่างน้อยเนี่ยสนาทีไม่รู้จบหรือเปล่าดีไม่ดีก็ไม่จบอน น, นีซึ่งถ้าสาธยายแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยถ้ามากกว่านี้อีกนะเขาจะมีวาระว่าด้วยมากกว่านี้อีกเช่นว่าจักโคความเกิดของจักโค ความดับของจักรโครอสสาธะของจักรโครอทีนวะของจักรโครนิสรณะของจักรโครจะเพิ่มมาอีกนะหกสิบ น, นแหละเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วยังมีเพิ่มไปอีกนะแต่ว่าเอาไว้แค่นี้พ อ, พ อ, พอนนะค่อยๆเปลี่ยนวาระอย่างนี้ไปเรื่อยๆสาธยาไปเถอะแล้วจะเห็นว่าโหชีวิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเอาไปแปรรูปได้สารพัดชนิดเลยจริงๆนะ แปรรูปจนที่เรียกว่าพ้นทุกเลยนะพิจารณาเจริญจนพ้นทุกมันใครสาธยายอะไรไม่ได้สวดอะไรไม่ได้จําอะไรไม่ได้ขี้เกียจท่องอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยนะก็เอาคุ้นเคยมาแต่สาธยายไม่ใช่คิดถึงคําคือพยายามคิดถึงเป็นทิศที่เป็นจริงอะนะเส้นจากคูก็นึกถึงตาสีก็นึกถึงสีผิวของเราจากคูวิญญาณก็นึกถึงการเห็นของเราอันไหนไม่ชัดก็ไม่ต้องใส่ใจมากเท่าไหร่นะก็สาธยายอย่างนี้ให้มันชํานาญ ให้ชำนาญให้คล่องเลยนึกถึงบทใดก็ได้ให้ให้ชำนาญให้คล่องนึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆก็นึกวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีครั้งละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะก็สาธยายไปถ้าใครเจริญสมาธิสีอย่างอื่นไม่เป็นนะสวดนมนต์แบบนี้ก็สัตว์สมาธิสีจะดีขึ้นเพราะจิตมันเป็นระเบียบขึ้นคนที่สาธยายดีเนี่ยนะจะไม่คิดเรื่องอื่นเลยจะคิดแต่เรื่องนี้เป็นไปโดยลําดับไม่แวบไปหาเรื่องอื่น อันนั้นก็สมาธินี่ดีขึ้น ก, ก็ไปฝึกเจริญสมาธิประเภทนี้ก็ควรทำแล้วก็เพราะในนั้นบอกข้อปฏิบัติไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมจกขูควรกำหนดรู้จกขูสมุทัยควรละจกคูนิโรดควรทำให้แจ้งจกขูนิโรธถ้าคามไม่นีปฏิปทาควรเจริญ แล้วจะมีอีกรอบหนึ่งก็รอบพิเศษอีกบอกว่าจักขโคแทงตลอดด้วยการกําหนดรู้จักรโคสมูไทยเนี่ยแทงตลอดด้วยการละจักรโนิโรแทงตลอดด้วยการทําให้แจ้งจักรโนิโรทคามินีปฏิปทาแทงตลอดด้วยการเจริญมีคําว่าปฏิเวทเข้ามาหนึ่ปฏิเวทะปริญญาปฏิเวทะปหานะปฏิเวทะสัจจิกิริยาปฏิเวทะภาวนาปฏิเวทะเนี่ยนะเพิ่มคําว่าปฏิเวทคือแทงตลอดมาอีก มีตั้งหลายวาระด้วยกันนะก็ไปดูเอาในปฏิสัมพิธามมัคอภินญญะนิเทศในเอกสารที่แจกเมื่อสมัยนั้นนะนะสมัย น, นั้นนานแล้วเก็บไว้จนสงสัยฝุ่นขึ้นเยอะแล้วอยู่หลืบชั้นล่างๆอภินญญะนิเทศปฏิสัมพิธามมัคถ้าใครที่ยังมาเรียนวันเสาตอน ตอนนู้นเนี่ยภาควันเสาร์กลางวันเนี่ยก็จะมีอยู่ <c oughs> ก็สาธยายตามนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปจำอะไรมาก ค, อคอือคือเพราะคุ้นเคยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาสาธยายแล้วก็คิดในชีวิตที่เป็นจริงให้มากกว่าเท่านั้นเองซึ่งพยัญยชนะเราก็คุ้นๆอยู่แล้วนะใครมีอะไรอีกไหม ที่จริงผู้ที่ศึกษาอยู่อยู่ที่ที่กรุงเทพนะก็ไม่จะไปเชียร์เขาหรืออะไรนะจะเขาเขาสาธยายกันไปเยอะอเหมือนกันนะเขาสาธยายกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ เ, าเขามีแต่ละคนก็จะมีสูตรประจําตัวเขา้ามาเขาสาธยายอะไได้บ้างน่าหน้าเพราะเราเข้าไปอยู่ในวงการนั้นเราก็ เราก็เป็นหนึ่งนักพรอยเป็นหนึ่งนั้นไปด้วยเราก็จะสาธยายกับเขานั่นาก็เป็นสาธยายด้วยก็กลุ่มนี้ไปไหว้พระเจดีเนี่ยนะพอเขาไหว้เสร็จเขาก็แบบที่เราเราทำเสร็จเขาก็มาเปลี่ยนสาธยายพระสูตรกันเขาก็สาธยายพระสูตรเขาก็จําเป็นภาษาไทยนะเขาก็กล่าวกันไปเรื่อยถ้าสูตรไหนสาธยายไม่ได้ก็กลางโฉนดสาธยายใกล้ๆพระเจดีนั่นแหละซึ่งเราทั้งหลายสามารถเจริญได้อยู่แล้วแทนที่เราจะไปอย่างอื่นอนะนี ก็มาฝึกเจริญแบบนี้ซึ่งก็อยู่ในมีมุตัยยตนาใช่ไหมเหตุแห่งการบรรลุธรรมนี่มีอยู่5ประการข้อหนงก็ฟังข้อ2แสดงข้อ3สาธยายข้อ4ตรึกข้อ5าเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะถ้าใครเข้าใจวิธีการเจริญในาศาสนาของเราเนี่ยจะรู้ว่ า, าศาสนานี้มีทรั์มากจริง นะไม่ยากจนด้วยอริยรัพเนะ์ซึ่งพงหูสูตรก็นับว่าเป็นทรัพ์อย่างหนึ่งที่เราเจริญได้เอามาพิจารณาได้เอามาสาธยายแต่เมื่อใดที่เราเห็นคุณของการสาธยายการตรึกนะเมื่อนั้น เ, เราก็เชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์แล้วสิ่งที่เราทรงจำเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะตรัสรู้ต่อไปถ้าเราไม่อยากสาธยายด้วยไม่ท่องด้วยไม่นึกด้วยไม่อะไรด้วยเนี่ย ถามว่าคู่ควรไหมที่จะบรรลุเพราะที่เราบรรลุเราบรรลุอะไรแม้กระทั่งเราขอตั้งความปรารถนามรรคผลนิพพานก็คือขอจักขูนิโรดนั่นเองตั้งความปรารถนาเพื่อจักขูนิโรธเพื่อรูปนิโรธจักขูวิญญาณนิโรธจักขูสัมผัสนิโรธจักขูสัมผัสชาเวทนานิโรธรูปประสัญญานิโรธรูปประสัญเจตนานิโรธรูปประสัญหานิโรธรูปปวิตกนิโรธรูปปวิจารนิโรธ นั่นแหละคือสภาพของพระนิพพานถ้าไม่งั้นเราก็นิพพานในความฝันในห่วงจินตนาการเป็นยังไงนิพพานเป็นไงเนาะแม่ครูนั่นก็จริงเราเรียนมาสี่ห้าปีเนี่ยนะเรียนกับพระอาจารย์มาหลายปีเนี่ยคมจริงถ้าถ้าเราถ้าเราท่องตรงนี้ได้เนี่ยเท่ากับว่าเราจำโครงสร้างได้พอสมควรดี แล้วต่อไปค่อยๆค่อย ๆ, ค, อยๆค่อยๆขยับไปว่าเออจักขคูนะให้พอพูดถึงจักขคูรู้เลยว่าเออจักขคูนี่มันมีห้าสิบสี่ลูกนะมันมีกี่กระหล่ำกี่กระหล่ำเนี่ยนะนึกออกเลยว่าจาักขคูสมุทัยนี่นะโอมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ตันหาในอดีตมันทาน่านได้ันจักขคูนี่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่นะถ้านึกอย่างนี้ได้นะเออยังมีไอ้ตาอันนี้เนี่ยปัจจุบันนี่นะมันเกิดจากตันหาในอดีตเนี่ยนะแล้วทำไมาถ้าอ้การไม่มีทั้งจักขคูทั้งไอ้สมุทัยก็ ละไปแล้วด้วยนี่คือจกักรุนะิโรดนะเออมันไม่มีทั้งสองอย่างเนี่ยไม่มีเกลยเป็นจกักรุนิ้โลดในการที่เรามีปัญญาเข้าไปพิจารณาอย่างนี้นะคือนี่คือการเจริญจกักรุนิโลทข า, ามณีปฏิปทาโอุทานรู้อย่างนี้นี่ผมว่าน่าจะน่าจะอีกดนหนึ่งที่ถ้าเราตรึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยไปได้ดีนะให้เจริญเป็นพุทธคุณแทน พระพุทธเจ้ากําหนดรู้จากโคพระพุทธเจ้าละจากโคสมูไทยพระพุทธเจ้าแทงตลอดจากขคนิโรดนะพระพุทธเจ้าปฏิบัติในจากขคนิโรทัาขาไมินีปฏิปทาเจริญอย่างนี้จะเป็นพุทธคุณทันทีในเรื่องเดียวเนี่ยนะเป็นพุทธคุณแต่ถ้าเจริญอย่างนี้เนะี่ยนี่คือความเป็นธรรมดีของพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระอริยะทั้งหลายท่านก็ท่าน ก, ก็ปฏิบัติอย่างนี้ที่ถึงความเป็น พระรยะเช่นยกตัวอย่างว่าท่านละสมุทัยทั้งหลายท่านละกิเลส ท, ทั้งหมดนั่นแหละก็คือกลุ่มจักขโหสมุทัยเป็นต้นบาปอคุสลทุกชนิดที่ท่านละก็คือละจักขโหสมุทัยนั่นเองหรือบางทีท่านทำที่สุดแห่งชราและมรณะอันนั้นเป็นชื่อของจักขโหนิโรธท่านเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นนั่นก็คือชมใน จากขุนิโรทะคามินีปฏิปทาของท่านซึ่งเบื้องแรกเนี่ยถ้ายัางไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากก็ไปสาธยายอย่างนี้บ่อยๆมากๆถ้าเราไม่สาธยายไม่ตรึกสิ่งเหล่านี้เลยเนยเราจะกำหนดโครงสร้างธรรมะไม่ได้เรียนมากจะเื่อมากเพราะไม่รู้ว่าโครงสร้างหลักๆจริงๆคืออะไรแต่จริงก็พยายามแนะนาหลายครั้งแล้วก็ไม่ค่อยงอกเลยก็เลยเลิกนะ ก็วาจาสัตว์ก็คือถ้าเรามองในแง่หนึ่งวาจาสัตว์คือพระพุทธเจ้าตรัสวาจาสัตว์ใช่ไหมมีวาจาสัตว์เพราะพระองค์เนี่ยตรัสอริยสัต์อันนี้ก็เป็นวาจาสัจจะข้อสองถ้าผู้ที่ฟังฟังแล้วเข้าใจในสัจจะนั้นก็เป็นญาณสัจจะใช่ไหมถ้าฟังแล้วเอาไปเจริญจนแทงตลอดนั้นก็เป็นมัคคสัจจะก็แทงตลอดปรมัทธสัจจะคือนิพพาน ซึ่งสัจจะที่มีคุณจริงๆก็มี4ประการนะนะวาจาสัจจะพระพุทธเจ้ามีวาจาสัจจะตรัสอริยสัจกสองผู้ที่ฟังเข้าใจก็คือมียาณสัจจะ น, นะถ้าฟังแล้วก็ปฏิบัติตามจนบรรลุนั่นเป็นมัคสัจจะแล้วก็แทงตลอดนั่นคือประมตทสัจจะเป็นชื่อของพระนิพพานถ้าในพระสูตรนะคว่าประมตทสัจจะเป็นชื่อของนิพพานอย่างเดียวถ้าในพระสูตรนะ ท <c oughs> ่านในอภิธรรมคำว่าประมาทก็หมายถึงขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นแต่ท่านในอภิธรรมมัตสังกหะหมายถึงจิตเจตสิกรูปหมดเวลาแล้วเนาะ